หน้าที่ของชีวิตเราที่แท้จริง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 ผ่านหูเราต้องเข้าปณิจเราต้องฟังให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติแล้วก็มันจะลืมนะเข้าใจแล้วต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าถึงความพ้นทุกจะเรียกว่าเข้าถึงธรรมก็ได้เนี่ยคือหน้าที่ของพุทธบริษัทหรือพุทธสาวกธำที่แบบนี้ยละ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 ฐานที่ตั้งของสติเลยจะเป็นลมหายใจจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยเนี่ยเอามาเจอสติได้ทั้งนั้นแล้วก็ทางด้านจิตใจจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเราสามารถรู้ได้กายก็ดีจิตก็ดีเนี่ยทาให้สติมันจเจริญ อะไรเกิดขึ้นก่อนให้เรารู้ก่อนอะไรยังไม่เกิดอย่าไปรู้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดนี่มันจะเป็นความคิดนะจะเป็นคิดรู้เช่นตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีกายมันใกล้ตัวที่สุดเลยนะเราลองจับมาเคลื่อนไหว<ม>การเคลื่อนไหวมีอาการไหวๆนี่นะถ้าเรารู้ลงไปได้แล้วก่อนนี่เราจะได้สติแล้วอย่างคนที่ชอบดูจิต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 เป็นการศึกษาชีวิตจิตใจเราเป็นอย่างไรอุปนิสัยอัธยาศัยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราเรียนรู้ชีวิตเราได้จากจิตที่มันคิดกรรมเก่าต่างๆที่เราเคยทําอะไรไว้เขาจะมาส่งผลในอารมณ์ปัจจุบันเขามาพลคืนก็ได้มาในลักษณะของความคิดนึกความถนัดจุดอ่อนอะไรของเราเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นนะนี่เป็นการศึกษาตัวเรานะเราเป็นคนที่สมาธิสั้น หรือสมาธิยาวก็ตรงที่การมารู้ที่จิตใจเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะเราเจรดสติอยู่รู้สึกตัวอยู่บางทีมันก็เผลอไปสมาธิมันก็จะสั้นไปหน่อยไม่เหมือนอย่างการดูทีวีเราดูได้นานสมาธิยาวเพราะว่าถูกกิเลสย้อมปรุงแต่งการเดินจงกรมเนี่ยเราเดินจงกรมได้เดี๋ยวเดียวเราเบื่อละอยากจะเลิกละมันก็จะเป็นสมาธิสั้นไปเหมือนการเดินไปเที่ยวเดินดูของเดินช็อปปิง้ง เราเดินได้นานเพราะอะไรเพราะมีตัณหาที่คอยหนุนหลังอยู่เราต้องมีสติรู้ให้ทันมันไม่เป็นไรนะสิ่งเหล่าเนี้ยไม่ผิดนะการปฏิบัตินี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเรามักจะกลัวผิดนะทำไปกลัวผิดมันคิดขึ้นมาเนี่เราผิดแล้วเราปฏิบัติตั้งนานทำไมมันคิดบ่อยมันไม่ผิดหรอกธรรมะเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะสัจธรรมผิดถูกก็ไปเพียงสมมุติสําคัญที่ว่าเรา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 ต้องดูตัวเราก่อนเมื่อเราดูตัวเราแล้วดูกายดูจิตแล้วเราไปดูตาํารามันจะได้รสชาติมากอ่านตําราก่อนแล้วมาปฏิบัติบางทีไม่ค่อยได้รสชาตินะเราลองมาตรัสสติแล้วลองไปอ่านตําราดูสิมันจะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าอ๋อกายของเราเนี่ยมันมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรบ้างเนี่ยบางทีถ้าเราขาดสติและมุ่งแต่การทํางานเราจะไม่รู้จักกายเรานะ ไม่รู้จักตัวเราพอเราไม่ได้ดูตัวเราดูแต่สิ่งภายนอกแต่พอมาเจริญสติเนี่ยสติสอนให้ดูกายดูจิตมันจะเห็นตัวเราเข้าใจว่อนี่เรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนกําลังมันมีแค่ไหนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจนี่เราเป็นการศึกษาตัวเองก็ทําไปเรื่อยๆทําไปจกกนกว่าเราจะจบชีวิตไปอันนี้มีแต่การสะสมกุศลไป<ม>ทั้งนั้นแหละ หากว่าเราปฏิบัติแล้วมีอาการเคร่งเครียดตึงหรือแม้แต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยการใช้ชีวิตที่ผิดปกติมันก็จะมีการเคร่งเครียดตึงเหมือนกันจะสังเกตดูได้คนที่เพ่งหรือตั้งใจมากเกินไปหวังผลมากเกินไปเนี่ยจะมีอาการเครียดจิตจะฟุง้งจะมีแต่ความสงสัยหนักๆบางทีปวดต้นคอปวดศีรษะอันนี้แสดงว่าเรา ตั้งใจมากเกินไปเพ่งมากเกินไปการปฏิบัติจะเห็นว่าเพ่งมากเกินไปตรงนี้แหละแม้แต่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราค่ำเคร่งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีอาการตึงแน่นเหมือนกันนะปวดศรีรษะเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาใชนะ่คนที่ปฏิบัติแล้วทำอะไรก็ตามทำงานก็ตามปฏิบัติทำก็ตามหรือจรรยสะิ ก, ก็ตามถ้ามีอาการเบาๆผ่อนคลายแล้วก็อันนี้เราไม่ได้เพ่ง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 เดี๋ยวจะมีอาการออกมาทางกายทางวาจานะมันก็จะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแล้วมันจะหลงลืมสติไปแล้วจะเป็นคิดซ้อนคิดไม่ได้ไปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นมันเผลอคิดอ้าวเราก็รู้ซะเราได้สติแล้วจบอยู่ตรงนั้นถ้ามันยังคิดไม่เลิกก็ไม่เป็นไรเราลองวางความคิดนะมาดูกายเคลื่อนไหวทําสติอยู่กับกายกดกนิ้วหายใจลึกๆเรามีสติตามรู้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 ทำอยังรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนยาบทซนะไปทาสิ่งอื่นอย่างมีสตินี่เรก็ออกจากความคิดได้อย่าจนปัญญาอย่าจมอยู่กวความคิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกายก็ดีทางจิตก็ดีความคิดความง่วงความหงุดหงิดความเบือ่อที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยเราก็อย่าไปทอแท้ความทุกข์เนี่ยดีนะมีคุณมีประโยชน์ถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยเราคงไม่มีศรัทธาหรอก ความทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาหาประโยชน์จากความทุกข์ให้ได้เรานั่งอยู่นานๆมันปวดมันเมื่อยหรือทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันปวดขาปวดเขา่าอย่าไปเป็นทุกข์กับเขาให้มันปวดอยู่ที่เขา่าอย่าปวดอยู่ที่ใจให้ใจเรารู้ไว้ดีแล้วที่มันยังปวดเขา่ายังมีเข่าให้ปวดบางคนไม่มีข่าให้ปวดนะคนขาขาดขา ด, ขาด้วนเนี่ยเขาไม่ปวดเข่า เราโชคดีแล้วยังมีข่าวให้ปวดเราไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะนั้นวางจิตวางใจให้ถูกต้องทุกข์น่ะเป็นประโยชน์สำหรับเรามากถ้าเราไม่ปฏิเสธหรือไม่ทอแท้ความทุกข์ทาให้เกิดความขยันความทุกข์ทำให้เกิคดค ว, กกความอดทนความทุกข์ทําเรารู้จักช่วยเหลือตัวเราเองถ้าไม่มีความหิวไม่มีความทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากความทุกข์ทำให้เกิดประสบการณ์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 แล้วมีเครดิตเทตุผนั้นไม่เป็นไรนะเราก็ทําการแก้ไขไปมีปัญหาก็แก้ไขไปอย่าไปเป็นทุกข์เราได้รูปนามขันธ์ห้าจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเลยประโยชน์สูงสุดคืออะไรคือปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ซะเพราะรูปนามขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์เราต้องลงมือไปบรับให้มันพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นทําประโยชน์กับผู้อื่นแต่ว่าเรา ใช้ประโยชน์จากรูปนามขาน5เนี่ยถึงที่สุดแล้ว